นี่มาดูมหานรกดูดก่อนพิสูนทั้งหลายเหล่านายนรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นนะเอาไปฟังคำอธิบายก่อนว่ามหานรกได้แก่อะไรมหานิรเยได้แก่อเวจีมหานรกถามว่าอเวจีมหานรกนั้นอะประมาณภายในเท่าไหร่ตอบว่าแผ่นดินโลหะมันเป็นแผ่นดินแต่ว่าเป็นเหล็กนะนะ หลังคาโลหะโดยยาวและโดยกว้างประมาณ900รโยตโยดหนึ่งก็ประมาณ16กิโลเมตรนะคูณเข้าไปฝาข้างหนึ่งหนึ่งประมาณ81ดสอดโยตเปลวไฟนั้นตั้งขึ้นในทิศบูรพาแล้วก็จดฝาด้านทิศประจิมทะลุฝานั้นไปข้างหน้าร้อยโยตไฟนี่มันพุ่งจากทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งเหมือนกับไฟที่เขาตัดแก๊สอย่างนั้นอ่ะ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 ไ ด, ด้หลวงกล่าวถึงเรื่องของพระแต่มีใบอะเนาะพระเตมีใบท่านเ ล, ลึกชาติได้ว่าท่านเป็นพระราชาอยู่20สิปีตกนรกอยู่8ปดหมื่นปะีบวกลบคูณหารแล้วก็โหใหย่มากถามว่าเพราะเหตุไรนรกนั้นจึงชื่อว่าอเวจีตอบว่าท่านเรียกว่าระหว่างไอระหว่างหาคลื่นก็คือมันไม่มีระหว่างนั่นเองในนรกนั้น ไม่มีระหว่างของเปลวไฟของสัตว์หรือของทุกขแบงกั้ น, น, น, นหาช่องว่างของความทุกข์ไม่มีเลยและหาช่องว่างว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้ว่ามันเอะอะดัดเยีด ย, ด, ย, ด, ยดอยู่ในนั้นน ะ, นะโอ้มันก็อายุยืนยาวขนาดนั้นมันก็ตายไปทีละคนสองคนไปเรื่อยมันก็ไปเ อ, อะอะเนาะเพราะฉะนั้นนรกนั้นจึงชื่อว่าอเวจีเปลวไฟนั้นตั้งขึ้นแต่ด้านทิศตะวันออกของนรกนั้นก็พุ่งไปร้อยยอทะลุฝาด้าน นะข้างหนาร้อยยอดแม้ในที่ที่เหลือก็นัยยะเดียวกันทีนี้โอ้มาได้ตรงนี้ได้เจอหลวงพ่อเราด้วยนะหลวงพ่อเทวทั์อยู่ตรงนี้แหละบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยเกิดในถ้ำกลางเปลวไฟทั้งหกเหล่านี้เทวทั์มีอัตรภาพประมาณร้อยยดโอตัวใหญ่มากเท้าทั้งสองเนี่ยเข้าไปสู่แผ่นดินโลหะแต่ว่าเป็นแผ่นเหล็กนะจมไปจนถึงข้อเท้า มือทั้งสองก็เข้าไปสู่ฝ า, าโลหะถึงข้อมือมันจมลงไปในแผ่นเหล็กนั่นเลยนะแผ่นเหล็กนี่มันเชื่อมติดประสานไว้เรียบร้อยหมดสีอันนี้ก็จดหลังคาโลหะถึงกระดูกคิว้วหัวนี่มันจมไประหว่างถึงห า, หายเท่ากับถึงคิ้วเลยนะกระดิกไม่ได้เลยแล้วก็ลาวโลหะอันหนึ่งก็เข้าไปโดยส่วนล่างทะลุกายไปจดหลังคานก็คือเหมือนกับเสียบระดุกนั่นแหละ ล้าออกจากฝาด้านทิศประจีนคือตะวันออกก็ทะลุหัวใจผาด้านทิศประจิมนะเหล็กข้างทิศตะวันออกก็ทะลุมาทางทิศ ต, ตะวันตกล้าออกจากฝาด้านทิศอุดรคือทิศเหนือเนี่ยนะทะลุซี่โครงไปจดุดฝาด้านทิศทักษณิณคือทิศใต้พระเทวทัตน์นี้เป็นเช่นนั้นเพราะผลกรรมที่ว่าพระเทวทัตหมกไม่อยู่เพราะผิดในพระตถาคตผู้ไม่หวั่นไหว ไปไปทำกับพระอรหันเข้าด้วยประการชนินรกนน้นจึงชื่อว่าอเวจี G, เพราะเปลวไฟเนี่ยไม่หยุดยัง้งพุ่งอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความร้อนเนี่ยกายยะภาษาท่มีอยู่ส่วนเท่าใดร้อนเท่านั้นเนี่ยก็บอกว่าเจ็บทั่วทุกขุมขนเลยนะมีส่วนไหนที่ไม่เจ็บไม่มีเจ็บแต่ก็ทนได้นะทาไม่ทนก็ต้องทนน่ะ และภายในนรกนั้นในที่ประมาณร้อยยดสัตว์เนี่ยยัดเยียดกันเหมือนแป้งที่เขายัดไว้ในธนานั่นก็บอกว่าเหมือนดีบุกอย่างนั้นแหละในที่นี้ก็ว่าเราไปนับไม่ได้ว่าสัตว์เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนับไปเถินนับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อเดินยืนนั่งหรือนอนก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่มันก็ยัดเยียดอยู่ในนั้นแต่ไม่กระทบกระเทือนกันนะมันโอ้โหมันก็เหมือนกับคนไม่มีร่างนั่นนะ มันก็เดินทะลุกันได้แต่ก็อย่าคิดว่าสนุกนะความร้อนเนี่ยทุกขุมขนเนเชื่อว่าเวจี v พระสัตว์ทั้งหลายยัดเยียดกันอย่างนี้แล้วว่าในส่วนกายทวานจิตสหรคตด้วยอุเบกขาหกดวงย่อมเกิดขึ้นดวงหนึ่งสหรคตด้วยด้วยทุกก็คือทางกายทวานนะนึกถึงวิธีว่าปัญจทาาวาราวชนะจะเกิดก่อน ปัญจทวาราวชนะเสร็จแล้วก็ทุกขากายวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวทัพณะชวนะแล้วก็ตถารมณะเขาบอกว่าไอปัญจทวาราวชนะคืออุเบขาใช่ไหมสัมปติชนะอุเบขาสันติรณก็อุเบขามโนทวาราวชนะหรือโวัฒพณะก็อุเบขาเวทนาส่วนในทุกขากายวิญญาณเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวไออุเบขาเวทนาหเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ทุกบริสุทธ์เลยนะ เจ็บล้นล้วนเลยนั่นแหละเขบอกว่าไ อ, ไอเวทนาที่เหลือเหมือนเหมือนกับไม่มีอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นในอเวจี v G, นรกเนี่ยเต็มไปด้วยทุกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในในวิถีจิตทั้งหมดเนี่ยนะรับแต่ความร้อนอย่างเดียวอันจิตโทสะนี่ค่อนข้างมากแล้วก็อยู่ในนรกเหล่านั้นถ้าอ่านอ่านพระไตรปิฎกนะถ้าเราใช้อัตตาถาเป็นก็จะดูสลับไปสลับมาแบบนี้นั่นแหละ ทีนี้ถ้าหากว่าตรงไหนยากๆก็ดูดีกาเพิ่มอีกจะมีคำพีอีกชั้นนรียก ด, ดีกาโดยการพิสูจน์ทั้งหลายเรานานิรยาานิยบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมี4มีมุม4ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กร้อมล้อ ม, ร อ, มรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพลงแผ่ไปตลอดร้อยยต รอบด้านประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อนะมั่นคงไม่หวั่นไหวเลยเนอะมันน่าจะพังไม่ได้ก็ดีนะบางแห่งค้ายๆกับว่าไอลาวาเนี่ยมันก็ไหลผ่านมาแถวนั้นน่ะนะดูกรพิสูนทั้งหลายและมหานรกนั้นมีเปลวไฟเนี่ยพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าไฟเนี่ยมันพุ่งเลย พุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งขึ้นจากข้างบนเนี่ยจดลงข้างข้างข้างล่างอะนะพุ่งจากข้างล่างก็จุดลงข้างบนสัตว์นั้นจะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมยังไม่สิ้นสุดนะอยู่ให้มเข็ดเยเนาะดูกรที่สูทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางคราวบางครั้งบางคราวอะนะ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 เสกขึ้นมาใหม่ในี่มิดโผล่ขึ้นมาเพิบรับกรรมต่อใหม่และในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดลงคือวิ่งไปเนี่ยนะจะให้ไปทันประตูเปิดใช่ไหมวิ่งไปถึงประตูมันปิดแบบแบบคล้ายๆรีโมทอย่างเ้ยนะเหมือนกับประตูประตูเคยเคยเข้านะในห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่เนี่ยนะพอเดินผ่านไปประตูปั๊บเนี่ยมันจะเปิดให้ใช่ไหมไอ้นี่ประตูนี้มันก็ประตูหลอกเหมือนกันพอวิ่งไปถึงปั๊บไปเหยียบตรงนั้นปั๊บมันก็ปิดแง่เรียบร้อยเลยออกไม่ได้ สัตว์นั้นก็จะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดันนั้นในข้อต่อไปก็คือเพียงแต่ว่าประตูด้านหลังเปิดบ้างอั น, นี้ประตูด้านที่ใต้เปิดบ้างประตูด้านที่เหนือเปิดบ้างข้อความเดียวกันนะประตูเปิดหลอกเองเหมือนกันไปถึงก็ปิดแง่ปิด อ, อดเลยอะ่ะเขาบอกว่าอยู่อย่างนั้นแหละไม่ตายตราบเท่าที่บาปรกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ย่อมมีในสมัยบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกก็เปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นและแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีโอ้แจว๋วเนอะอมาตะอย่างเงี้ยนะสัตว์นั้นก็จะออกจากประตูนั้นได้ รีบก้าวพ้นออกมาเลยนะแต่ว่ามหานรกนั้นแหลมีนรกไปเต็มไปด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านออกมาเนี่ยสวมเตมทลักแถวนั้นเองนะสัตว์นั้นก็จะตกไปในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมู่สัตว์เนี่ยปากดังเข็มคอยเชื้อเฉือนผิวนะก็บอกว่าปากเหมือนเข็มเนี่ยตัวก็น้องน้ช้างน่และแล้วก็เชื้อเฉือนหนังแล้วก็เชื้เฉือนเนื้อเชื้เฉือนเอ็นเชื้อเฉือนกระดูก แล้วกินเยื่อในกระดูกโอ้โหมันกินลึกขนาดนั้นเลยเนาะสัตว์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในคูดนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูความพิสูจน์ทางหลายและในคูดนรกนะราผ่านคูดนรกไปอีกจะมีนรกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่านรกเต็มด้วยเท่ารึงเท่าเริงก็คือ ก็เหมือนกับที่เขาปิ้งไข่ะนะปิ้งไข่ก็ฐานจะอยู่ข้างล่างนะเอาเอาขี้เท่าปกปิดไว้ข้างบนนะเรียกเท่ารึงเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูความพิสูจทั้งหลายและในนรกเท่ารึงนั้นยังมีป่าไม้นิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้าน ผ่านรกนั้นไปอีกก็จะมีป่าป่าไม้นึกว่าจะเย็นอ่ะเนาะนะเป็นแต่เป็นต้นงิ้วสุต้นเนี่ยสูงชะลูดขึ้นไปโยอหนึ่งมีหนามยาว16องค์คุรีประมาณ16นิ้วอ่ะนะวัดดูด้วยมีไฟเนี่ยติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงเหล่านายนิเรบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้น ข, นขนลงลงที่ต้นงิ้วนั้นสัตว์นั้นก็จะสเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปรกรรมยังไม่สิ้นสุด ในเนมิราชาดกเนี่ยนะกล่าวถึงว่าในขณะที่ขึ้นไปนั้นยังมีนกบางตัวอีกนะมา่าบอีกนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในป่าไม้ยิ้วนั้นมีต้นไม้มีใบเป็นดาบใหญ่นะแต่ใบแต่ละอันนี่ก็เหมือนกับดาบนั่นแหละประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นถูกใบไม้ที่ลมพัดเนี่ยตัดมือบ้งบางแบงนั้น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 นะครับเขาก็ไว้สําหรับขังคนชั่วนะเราไม่ชั่วเราไม่ได้ไปอยู่แล้วอ่ะแต่ชั่วก็พระก็ชั่วไม่ได้พระก็ไปเลยใช่ไหมหลวงพ่อเทวทัพยังไปก่อนเราเลยพระชั่วพระก็เสร็จงั้นนั่นแหละดูก่อนพิสูจทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นเลยนั้นไปอีกก็จะมีแม่น้ําใหญ่เป็นแม่น้ําดางก็คือเป็นแม่น้ําทองแดงนั่นแหละหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าเวตทนีนรก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 เอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาดูสิมันเป็นยังไงแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญท่านต้องการอะไรนะถามสัตว์นรกดูสัตว์นรกบอกอย่างนี้ข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าวางั้นนายนเรบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนเนี่ยที่มีไฟติดทั่วลุกพรงโชดช่วงเปิดปากอ้าออกกันนะเอาคีมเหล็กเนี่ยงัดปากออกแล้วก็ใส่ก้อนโลหะลก้อนคล้ายๆฐานแดงๆเหมือนกับฐานเพลิงอ่ะนะใส่เข้าไปในปากนั่นแหละ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 ไม่สงสารเหมือนกับคนผ่าปลาเนั่นแหละขณะที่ผ่าปลาในท้องปลาเนี่ยสงสารมันไหมไม่ฉันได้อ น, นะอพอกันนั่นแหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหล่านายนิรยนบาลจะกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจํเรนเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นจะบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าฆ่าระหายก็คือกระหายนั่นเองเหล่านายนิรยนบาลจึงเอาตะขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วก็เอาน้ําทองแดงร้อน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 นะวนไปหารอบเดิมใหม่นะรอบสองรอบสามรอบสี่อยู่นั่นแหละ <c oughs> นะลองลองเปิดอัตกะถาไปที่หน้าสองร้อยแปดดูนะในบาลีว่าปุณะมหานิรเยนับลงประมาณสี่บรรทัดนะนายนิรยาบาลได้ให้ลงโทษเครื่องจองจำห้าประการตลอดทุ่งดื่มน้ำทองแดงอย่างนี้ ตั้งแต่เดิ่มน้ําทองแดงก็ให้ลงเครื่องจองจํา5ประการเป็นต้นอีกก็คือเวียนรอบกลับคืนไปใหม่แล้วก็โยนลงไปในมหานรกในมหารกนั้นบางตนเครื่องพ้นเครื่องจองจํา5ประการบางตนพ้นครั้งที่2บางตนเนี่ยก็พ้นครั้งที่3บางตนเนี่ยก็พ้นด้วยการดื่มน้ําทองแดงก็เมื่ อ, อยังไม่สิ้นกรรมนายนเรยบาลก็จะโยนลงไปในมหารกนั้นอีก ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้เรียนพระสูตรนี้ก็คือคือพระสมัยก่อนท่านท่องอะ่ะท่านท่องเอาพระรูปนี้ก็มาท่องจนถึงนี้ก็พอมาถึงตรงนี้ปับ๊บก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อสัตว์นรกสเสวยทุกเท่านี้แล้วนายนิเรบานยังโยนเข้าไปในมหานรกอีกหรือภิกษุก็นะอาจารย์บอกว่าใช่แล้วภิกษุก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญอุเทศเอาไว้ก่อนเออเรียนคำเพียงไว้ก่อนว่างั้นท่านจงบอกกรรมฐานแก่กับผม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 พ่อเจ้าประคุณเอ้ยเป็นอันว่าเราสัตว์ที่กระทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายเนืยาบานลงกรรมกรคือลงโทษที่ว่าไปทั้งหมดต่างชนิดเห็นปานี้โอ้หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงอุบัติเกิดขึ้นในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมะแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดนะความปรารถนาของพยาลมนะของเราเนี่ยโหพยายมปรารถนานะเราเนี่ยสําเร็จแล้วใช่ไหมเสร็จหรือ ย, ยังอ่าใช่ไหมเขาบอกว่าพบคําสอนก็นเหมือนกันกบพบพระพุทธเจ้านั่นแหละเจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาคําสอนแบบผอๆกับไม่เจอนั่นแหละนะอันหนึ่งนะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเวยาการณภาษิตดังนี้แล้วครั้นพระสุคตผู้าศาสดาได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกดังนี้ว่านรชนเหล่าใดยังเป็นมานพบมานย์ก็คือยังหนุ่มอ่ะนะบอกเรานรชนเหล่าใดยังเป็นมานพบอันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจักเข้าถึงหมูสัตว์เลวเศร้าโศกอยู่สิ้นกาลนานนะที่ไปของคนชั่วนะ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 อุปาทานมีกี่อย่างมีสี่อย่างนะกามุปาทานหนึ่งสองทิฏฐุปาทาน3ศสีละพัตุปาทาน4อัตวาทุปาทานเพราะฉะนั้นสภาวะของเขาก็คือ2อย่างนั้นก็คือโลภะกับทิฏฐิเท่านั้นเองนะอุปาทานก็คือโลภะกับทิฏฐินั้นโลภะหรือตัณหานั่นแหละทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละเป็นตัว เหตุแห่งความเกิดและความความแก่ความเกิดและความตายถ้าหากว่าผู้ที่ละตันหาและที่ทีได้ก็เป็นผ้ า, าหาันใช่ไหมไม่ต้องเกิดอีกอะ่ะพอไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่ไม่มีพบไหนที่จะให้ไปเสวยสุขหรือทุกต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเหตุเหตุแห่งความเกิดทั้งหมดก็คืออุปาทานหรือความยึดมั่นนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่หมดอุปาทานเน่เวียนพ้นนรกไหม นะศึกษาพุทธประวัตินะในชาดกหลายเรื่องขนาดปราถนาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังวนอยู่แถวนรกอ่ะนะหลายชาติด้วยกันนะีวนอยู่หลายชาติอนไะอ่าอย่างเช่นเหมือนกับชาติก่อนที่จะมาเป็นพระเตมีใบอันนั่นก็เพิ่งพ้นมาจากนรกนั่นแหละเพราะ้นแล้วก็ชาติที่ในอดีตอดีตอะ่ะเหมือนที่เราเรียนเรื่องในอปทานนะใช่ไหม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 นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงเข้าไปล่วงทุกทั้งปวงได้เชื่อนะว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอบายเนี่ยปิดแล้วนั่นแนหะปิดอบายได้ตลอดการด้วยนะตลอดการแล้วก็ตลอดไปขอให้เห็นอริยสัจเป็นขั้งแรกเป็นพระโสดาบันเถอะนั่นแหละอันแต่ว่าพระโสดาบันนี่ต้องผ่านปริญญาสามไม่ใช่โอ้อยู่ๆจบ สลบานในขอมั่งเนื้อถ้าขอกันได้นะพะพุที่เจ้ายกให้เรามาแล้วแบบ น, นี้นั่นแหละแต่ว่าต้องเจริญต้องอบรมต้องประพฤติธปฏิบัติเองนั่นแหละปริญญา3มเนืนั่นแหละในสัตว์นรกด้วยนะที่จริงเขาก็อยู่ในอบายอะ่ะเขาก็เป็นผลของกรรมนั่นแหละที่ทำให้เขาต้องไปอยู่อย่างนั้น น, นมันก็เป็นกรรมบอกนยายนิรยบาลก็คือมันคล้ายๆกับพวกเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะน วันนายนิยาบานไปอยู่ที่นั่นก็ตัวเองก็ไม่ได้สนุกอะไรไม่ใช่วันนายนิยาบาลเนี่ยหนังเหนียวใช่ไหมนรกไม่ร้อนมันก็ร้อนเหมือนกันนี่แหละนั่นแหล ะ, ละแต่ว่าเป็นลักษณะแบบประเภทนะพวกคุมทั้งหลายแหลน่นะพระอาจาย์ขาอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําไมวีรตีเจเจสิกถึงเข้าไม่สม่ําเสมอเนี่ยเพราะเหตุใดที่ไม่เข้านะคะไปจะได้หาทางแก้ไขตรงนั้นนะค พราะไม่คิดเพราะไม่คิดไม่คิดเลยเลยค่ะเออวันนี้คิดถึงศีลกี่ครั้งแล้วชาวตักบาตค่ะอ๋อตักบาตก็ไม่ใช่ศีลนี่ให้ทานค่ะเออทานตั้งแต่เชามาคิดเรื่องศีลกี่ครั้งแล้วคงคิดแต่จําไม่ได้ทันทีเขาบอกว่าถ้าตอบว่าไม่คิดเลยเออนั่นแหละศีลมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะไม่คิดถึงก็ไม่เข้าอ่ะ ถามาทำไมไม่คิดเอา้าก็ก็ทําไมอะ่ะนี่ไม่รู้จะถามใครแล้ว <c oughs> ก็คือแง่าปารพไงแง่าปารพว่าปารพถึงศีลไงสมมติว่าปารพบว่าศีลก็คือหนึ่งสมาทานกับสัมปัตตะปารพบในหนึ่งก็คือเออเราได้ล่วงข้อไหนบ้างใช่ไหมปารพบในแง่นี้หรือว่าถ้าไม่ล่วงก็เออรักษาต่อไปนะสมาทานให้มั่นคงอีกคล้ายๆก็ตอกย้ำในในใ น, ในกุศลนะอันนี้บ่อยๆ ก็คืออย่างน้อยที่สุดให้เช้าเย็นก็อย่างนี่นะตอนเช้ามาก็ปารภทา่านหน่อยนะก่อนนอนก็ปารภอีกครั้งหนึง่งถ้าไหนร่วงละเมยไปแล้วก็เอาใหม่นะสมาทานใหม่ก็คือถึงเสียใจไปมนก็มันก็ผ่านไปแล้ววะอากุศลมันก็ดับไปแล้วอะ่ะานไม่ควรที่จะไปพะวงในลักษณะให้เศร้าหมองแต่ทีนี้พยายามปารภ บ, บ่อยๆคือปารภในลักษณะนี้บ่อยๆเราก็ได้เจริญกุศลธรรมส่วนอื่นๆ นะปารบถึงถ้าหากว่าเราเจริญได้ดีก็ปารบถึงความไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุในศีลของเราเสร็จที่เหลือเราก็จะได้ปลารบกุศลส่วนอื่นๆ น, นะเช่นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือว่าพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งนะถ้าหากว่าผู้ที่ปารบอย่างนี้บ่อยๆนะจะทําให้ปารบกุศลหรือไม่ก็เอาพระสูตรหรือว่าท่องพระสูตรสักสูตรหนึ่ง ท่องไว้เวลานึกถึงก็ได้ น, นะนึกถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะถ้าหาว่าไม่อย่างหนึ่งก็อาศัยฟังเทปเอาก็ได้อ่านหนังสือเอาก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรที่เราจะตรึกตรองใคร่ครวนได้เองก็คือสามารถที่จะทรงจําพระสูตรได้สักสูตรเป็นต้นก็ยังดีก็ตรึกถึงพระ ส, สูตรนั้นบ่อยๆขอให้พระ ส, สูตรที่เรานึกแล้วเราสบายใจ น, นะเราพยายามลองอ่านพระไตรปิฎกนะอ่าสูตรไหนที่เราอ่านแล้วชอบอ่านแล้วมีความสุขก็ จำสูตรนั้นแหละแล้วก็คิดถึงสูตรนั้นบ่อยๆ น, น, นึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นบ่อยๆ อ, อันชีวิตของเราขณะนั้นก็เชื่อว่ามีสรรพนมีที่พึ่งแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็ก็อะไรสายไปตามตัวเตอืมสาธุกระแสมีตั้งหลายอย่างะนะกระแสไหนเห็นะหมีคําถามอีกไหมครับสังเกตดู ว, วันนี้นะครับไม่มีใครงวงหลอกครับมันร้อนอะน่นะน่ากลัวที่สุดอะ่ะโดยเฉพาะ กรรมกร น, A, นั่นน่ะฮะยี่สิบหกข้อนะคที่ไม่น่ากลัวก็มีอสองอันนั่นนะข้อหนึ่งกับข้อยี่สิหกดอกนั้นน่ากลัวทำนั้นเลยถูกเขียนนะไม่น่ากลัวก็ยังดีกว่าถูกตัดหอ้โอะไรโอ้ยถูกเขียนก็คือฟังพระสูตรนี้นะครับคิดว่าคงจะต้องเตรียมตัวตอบคําถามให้แก่พยายามต่อไปนะครับ คือถ้าหากว่าคนที่มีบุญมากนะไม่ต้องผ่านตำแนักพยายามนะสมมติถ้าหากว่าก่อนตายนะมีคตินิมิต ท, ที่ดีใช่ไหมกรรมกรรมนิมิตคตินิมิต ท, ที่ดีปั๊บเนี่ยนะจุติปั๊บปฏิสนธิที่ที่ในเทวเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเลยไม่ต้องไปให้พยายามซักฟอกอะไรหรอกอที่ซักฟอกนี่ก็คือไอ้บุญกับกรรมเนี่ยนะไอ้กรรมที่มันชัดๆก็ไม่ไม่ชัดอ่ะไอ้บาปที่ใหญ่ๆมันก็ไม่มีชัดๆอะไรนะบุญใหญ่ๆก็ไม่ได้ทําอะไรอกีกทีนี้พอไปอยู่อย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะ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 สัตว์นรกเจ็บไหม <Yeah. S 1> จิตชนิดไหนรู้เจ็บ oh. โทสะใช่ไหม mm. เอางี้ไงสัตว์นรกมีชาวนะไหม mm. มีชาวนะประเภทไหน oh. เอาถ้าเจ็บเนี่ยสนุกไหม mm. ยิ้มไหมอ่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นโทสะใช่ไหมโทสานี้ทำกรรมใหม่ใช่ไหมหรือกรรมเก่า mm. กรรมใหม่ mm. เพราะฉะนั้นอยู่ในนรกก็ไม่ใช่ว่ารับผลของกรรมเก่าด้วย ทำกรรมใหม่ด้วยนั่นแหละผ่านข่าวจึงพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไปสู่อาบายเนี่ยนะที่จะพ้นมาจากอาบายคืนเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะว่าในหมู่สัตว์ในอาบายเนี่ยที่เป็นกุศลจิตเนี่ยเกิดยากเด่นทีดันั้นคนที่รีบพ้นมาจากนั้นเลยนะสมมุติว่าไปนรกปุ๊บพ้นมาเลยก็คือคนนั้นเนี่ยบุญค่อนข้างมาก น, น ะ, ะคือเขาก็ทำทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมพอบาปเนี่ยให้ผลไปอยู่ในนั้นก็อยู่ไม่นานก็พ้นมาคืนเสร็จก็ สปีดหมายอะเร่งเครื่องห น, นีแต่ทีนี้กรรมไปอบายก็ดูว่ากรรมไปอบายอะไรบ้างร่วงกรรมบทไหมกายกรรมสามมจีกรรม4ี่มโนกรรมสามนั่นแหละกรรมที่ให้ไปสู่อบายไอ้ส่วนกรรมที่เหลือเนี่ยมันไม่ให้ผลนำเกิดแต่ให้ผลในประวัติการก็คือหลังจากเกิดไปแล้วอะ่ะก็จะไปช่วยบางอย่างก็เข้าไปสมมติว่าอากุศลให้ผลปับนะอกุศลบางอย่างก็เข้าไปทาอุปถัมภกกรรมเลย เข้าไปอุปกระมให้มันเจ็บมากๆเจ็บนานๆเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้อะไรเงี้ยนะวันถามว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนความทุกข์ทรมานเหล่านั้นไปจากไหนรู้ไหมความคิดของเรานั่นแหละมันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือความคิดของเรานั่นแหละอันถ้าหากว่าผู้ใดสำรวมระวังรักษาความคิดได้คนนั้นพ้นจากบ่วงมา น, นถ้ารกักษาความคิดได้ พ้นจากความทุกข์ทั้งหมดแหละพ้นนรกด้วยถ้ารักษาความคิดได้แต่รักษายังไงอ่ะรักษามให้มันคิดมันยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วไม่คิดดีก็คิดชั่วเมื่อไหร่นะจะพระ อ, องค์บอกว่าไหนๆก็คิดแล้วให้คิดเรื่องอริยสัจเถอะนะแล้วคนเลือกคิดได้เลือกเกิดได้ด้วยเอาทำไหมทํายังไงเราจะเลือกคิดได้เนาะมนะันพยายามหาอุบายวิธีอื่นๆบ้างอาตตา่านพระไตรปิฎกบ้างหาหนังสือธรรมะที่ แต่ว่านังสือธรรมะนะก็ก็บอกนิดหนึ่งว่าขอให้เป็นหนังสือที่จากตามแนวพระไตรปิฎกเพราะถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปอ่านหนังสืออะไรอีกไปที่ไหนอีกก็ไม่รู้นั่นแหละก็พันยุคนี้เนี่ยศัพท์ธรรมปฏิรูปค่อนข้างมากจริงๆก็บอกว่าพระ อ, องค์บอกว่าตราบใดที่ทองคําเก๋มไม่ออกตลาดนะทองคําบริสุทธิ์ก็จะมีตราบนั้นแต่ชันใดตอนนี้ก็ธรรมะเก๋นเนี่ยออกมาค่อนข้างมากถ้าเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกนะก็ตรงเนี้ยตัวใครตัวใครแล้ว สัตว์ทั้งหลายมาด้วยบุญของของคนนะั้นนะั้นนะใครมาเขาทําบุญมาดีก็ไปดีไปแต่ของเราเนี่ยเราต้องเลือกเอาและนะก็เหมือนกับทานอาหารเนี่ยต้องเลือกทานและศึกษาพระธรรมก็เหมือนการต้องเลือกศึกษาถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะข้อมูลในการศึกษาได้เราก็ก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะผู้การทงชัยนึกถึงคําเขาว่าสังสารวัฏนี้ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเรานะนั่นแหละเขาก็พูดเออคํานี้ฟังแล้วประทับใจดีเหมือนัน สังสารวัตนี้ไม่มีใครรับผิดชอบความคิดของเราไม่มีใครรับผิดชอบบุญบาปของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือของเราแท้ๆเลยพันจะทำแล้วก็ให้เลือกๆหน่อยนะเลยเวลาไปตั้งเยอะแล้ววันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้